ทิมบิสมิลลาฮิ р р а ḥ الحمد لله ن ح م ل ن س و ن س ا ل س ح د ن ع ذ بالله من ش ف س ن ا م ن س ي ه د ا ل ف ل ل ه وما ي ض ف ب سلام ع و ر ح م الله و ب ครับไม่ว่าจะมีเจตนายังไงอะไรกันตอนนี้ได้เวลา ทบทวนเจตนาตัวเองครับเรามาทํทาสิ่งที่เราล้อรักในสิ่งที่พวกเราล้อรักมากที่สุดแล้วก็เนาะไปดีเนาะเนาะครับไปทำเลสาวเล่นสาวเล่นแต่หมายความว่ า, าระวังเจตนาน่อนึงเพราะว่าบางทีเจตนาเขวะปุ๊บการงานที่ดีมันก็คุณค่าอาจจะได้ลงไปนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีเชิญไปกินรักครับผมครับไปกินรักกันเลยนะครับเรามาคุยกันต่อนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ การเวลาซึ่งเราเน้นครั้งที่แล้วเราคุยกันในช่วงของเวลายามเช้าเพราะว่าเป็นประเด็นหลักของสุรัตที่เราคุยกันซึ่งกุลสานถ้าเกิดเราสังเกตดูในช่วงของยุสอัลมานียครับยุสละมาลงมาทั้งหมดเนี่ยพวกสุรัตจะสาบานด้วยกับสิ่งต่างๆมากมายแต่ถ้าเกิดเราจะแบ่งเป็นหมวดก็คือสาบานด้วยกับสิ่งที่พระองค์สร้างแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือจะสาบานด้วยกับการเวลาซึ่งการเวลาที่พระองค์สาบานทั้งหมดจะมีขึ้นต้นในสุรัตทั้งหมดสี่สุรัตด้วยกัน สุรแล้วแรกก็คือวันฟัสซึ่งเรายังไม่ถึงคือจริ ง, รงๆเข้ามาจากยุสมาต้องถึงวันฟัสก่อนแต่เราแปลจากข้างหลังขึ้นมาก็จะมีวันฟัสที่เกี่ยวกับเวลาลุ่งแสงหลังจากเวลาลุ่งแสงปุ๊บ ก, ก็เป็นวันเลยอันเลนก็คือสุระยามค่ําคืนมีฮิกแม่มีความเรียดอ่อนอยู่ในนั้นถ้ามีโอกาสอาจจะได้คุยกันแต่ก็คือเรียนเกี่ยวกับวันฟัสอันเลนแล้วก็หมายด้วยกับวัตดูฮารที่เรากำลังคุยกันตอนนี้ก็คือยามสาย แล้วก็สุดท้ายก็คือปิดท้ายด้วยกับวัาอัสตีก็คือช่วงเวลายามเย็นซึ่งก็เป็นเวลาสุดท้ายซึ่งก็เหมือนกับที่พกเรากล่าวในก่อนว่าการในหุมยยมายโรนะฮะลำยันบาซุอิลลาอาชียะแตนอดูดูฮะ<ม>ก็คือถ้าเราสังเกตดูก็คือพวกเรากล่าวว่าในวันกียร์มาเมื่อพวกเราทุกคนได้ไปอยู่จนถึงจุดนั้นเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตที่เราอยู่ทั้งหมดในดุนยาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับช่วงเวลาแค่ยามสายกับยามบ่ายแค่นั้นเองก็คือช่วงสั้นๆ อาชียะก็คือช่วงเย็นช่วงอัสซี่ครับเวลาที่มันผ่านไปไวเหมือนกับเราเพิ่งเข้าอัสซีปุ๊บปุ๊บปุ๊ บ, บเข้ามักลิบแล้วหรือว่าช่วงดูฮะดูฮะก็คือช่วงดวงอาทิตย์เริ่มกำลังค่อยขึ้นเราเตรียมจะทํางานเหมือนกับว่าเวลาอีกนานรู้สึกตัวไอทีก็พักเที่ยงหรือสีก็ตัวถึงเวลาที่ว่าต้องทําอะไรแล้วครับสุพรรณบุรีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อครับขออนุ ญ, ญาตอ่านสุรโรดูฮาอีกรอบหนึ่งนะครับผม عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ยาบอกไม่ผมอ่านเลยถือวเปิดไปแล้วนะครับในครั้งที่แล้ววกดฮะ والليل إذا سجّ ما ودّعك ربّك وما قلّ ولا الآكِرة خير لك من الأولى ว فَتَرْضَى أَلَمْ ي َ ج ِ د บ ك َ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وأما السائلة فلا تنهروأما بنيعمة ربي كفاهدي สหลังจากที่เราได้พูดในถึงช่วงเวลาวัดูฮาที่เราพูดพูดกันในครั้งที่แล้วคือพวกเราได้พงนั้นได้สาบานในช่วงเวลาที่ว่าหลังจากที่ดวงอาทิตย์กำลังเริ่มขึ้นแล้วก็คือช่วงที่เราเรียกเป็นช่วงดูฮาซึ่งก็ได้บอกว่าในช่วงยามเช้าเนี่ย อิสลามมีการพูดถึงเยอะมากมายเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดที่มุสลิมต้องตระหนักเป็นประจําก็คือว่าพวกเราเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ว่าต้องตื่นเช้าต้องตื่นเช้าไม่เกี่ยวว่าจะเปิดเทอมจะปิดเทอมจะทํางานจ ะ, กะเกษียณใจอะไรก็ตามแต่มุสลิมเราตลอดชีวิตต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตื่นเช้าเพราะว่าเราต้องเริ่มชีวิตเราด้วยกับการละหมาดซึ่งทราริบีอัลซาร์ามก็บอกว่าถ้าเกิดอยากจะแยกระหว่างมุสลิมกับมุนาฟิกคนกับกอกที่คิดว่าตัวเองเป็นมุสลิมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มุสลิม ก็ให้ดูความสามารถในการลุกมาละหมาดฟาเชอรี่กับอิชาสองเวลานี้เพราะสองเวลานี้ท่านนบีอัลสลามบอกว่าหนักที่สุดสําหรับมุนาฟิกหนักที่สุดสำหรับมนาฟิกส่วนที่หนักสําหรับมุสลิมทุกคนเลยเวลาไหนครับอัสลีอัสลีเพราะมเป็นเวลาที่มันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเหมือนจะเสร็จงานจะเลิกจะนั่นจะนี่อะไรก็ไม่รู้แล้วรู้สึกตัวที่อ้าวมักริบแล้วก็ลองสังเกตดูครับว่า ปกติเวลาไหนเป็นเวลาที่มันยากสําหรับเราผมไม่อยากใช้คำว่าปกติเวลาเราเวลาไหนที่เราไม่เคยได้ละหมาดไม่อยากใช้คําพูดนั้นมาแรงไปคือในที่มาที่นี่อาทํามเลยแผมมั่นใจทุกท่านละหมาดครบอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางครั้งอาจจะมีเวลาที่ว่ามันเลอะส์ไปมันเลอก็ขอร้อยความชื่นเลยให้ความเมตตาแล้วก็อภัยในสิ่งที่เราผิดพลาดไปพพเพราะพวงรอบไม่เอาผิดในสิ่งที่เกินความสามารถครับผม เน้นย้ำเช้าเราได้พูดคุยไปแล้วแล้วก็ผมก็ได้พูดค้างถึงดูอาใช่ไหมครับง่ายๆที่ว่าเป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์เหมือนกับที่ท่านบียสซัมได้ย้ํากับผู้ศรัทธาว่าจงพยายามให้ลิ้นของเราชุ่มฉ่ำไปกับการรำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วเราจะไม่เสียเสียใจแน่นอนไม่เสียใจแน่นอนย้ําอีกครั้งหนึ่งเรื่องใกล้ตัวที่มุสลิมบางครั้งมองข้ามเรื่องใกล้ตัวที่บางครั้งพวกเราอาจจะมองข้ามการรำลึกถึงอัลลอฮ์ เป็นประจําตอนเช้าสายบ่ายเย็นทําอะไรพยายามน้ึกถึงอดร้อยให้มากๆเพราะอย่างที่ผมพูดประจําสิ่งที่ท่านอบีมสโลโลัสโลรอลฮะเลลัมบอกไว้ว่าความเสียใจเพียงอย่างเดียวของชาวสวรรค์ก่อนที่จะเข้าสวรรค์คืออะไรนะครับชาวสวรรค์เนี่ยจะเข้าสวรรค์แล้วไม่น่าจะมีอะไรเสียใจแล้วผ่านมรดละการสอบสวนเอ่ยการแสดงการงานที่ทํามาทั้งหมดผ่านทั้งสะพานซีรอดผ่านเรียบร้อยหมดแล้ว มาจะเข้าสวรรค์แล้วถึงเวลาสุขเต็มที่แล้วท่านอับดุลเบีย ร, ร์มัสยิดสัมพุชชาวสวรรค์เนี่ยก่อนจะเข้าสวรรค์เนี่ยครับก่อนที่จะเข้าสถานที่ที่ไม่มีความทุกโศกอีกแล้วเขาจะมีสิ่งที่เสียใจอยู่เรื่องเดียวเสียใจมากๆอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งมันไม่ยังประโยชน์อะไรกับเขาแล้วสิ่งที่ชาวสวรรค์ทุกคนนี่คือตามที่ท่านอบีย ร, รมัสยสัมพุชพูดไว้ สิ่งที่ชาวสวรรค์ทุกคนจะเสียใจก่อนจะได้เข้าสวรรค์ก็คือช่วงเวลาในดุนยาที่เขาไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ช่วงเวลาในดุนยาที่เขาไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์การรำลึกถึงอัลลอฮ์คืออิบาดทุกรูปแบบใช่ไหมครับอิบาดทุกอย่างคือการรำลึกถึงอัลลอฮ์การละหมาดก็คือการรำลึกการรำลึกถึงอัลลอฮ์การอานอัลกานก็คือการรำลึกถึงอัลลอฮ์การทำความดีทุกอย่างคือการรำลึกถึงอัลลอฮ์ สิ่งที่ชาวส่วนจะเสียใจที่สุดก็คือช่วงเวลาที่เขาปล่อยมันไปแล้วไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์หรือการทําอิบารัดาที่เขาไม่ได้รำลึกถึงพวะองค์เป็นไปได้ไหมครับมุสลิมทําอิบารัดาแล้วไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์เป็นไปได้ไหมทาไมจะเป็นไปไม่ได้ล่ะเวลาละหมาดเข้าไปละหมาดแล้วออกมาจากละหมาดไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองพูดอะไรมั่งตอนละหมาด เราอ่านมักรีบเสร็จแล้วเมื่อกี้ฉันอ่านอะไรม้างไม่ได้ไม่ได้มีการำลึกถอัลลอฮ์เลยถ้าใครที่มีอย่างนั้นครับโลกหน้าเหตุการณ์มักรีบที่ผู้ผ่านมานี่แหละจะเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่พวกเราจะต้องเสียใจก็อย่าอุศบิลามิซาลิกบางอย่างท่านอบีเตือนไว้นะครับแต่ก็เราก็ได้แต่หวังความไม่ตาจากพอัลลอฮ์เพราะว่าเราก็มีขิตความสามารถที่ค่อนข้างจะจํากัดจำกี่ าการรู้สือลลดเพาะช่วงเช้านะครับวันนี้เรามาพูดถึงดอาต่อครั้งที่แล้วเราพูดถึงดงอง่ายๆที่ว่าได้รับความดีใช่ไมเท่ากับการรำลึกถึงละล่ตลอดช่วงเวลาเช้าด้วยกับการพูดแค่สีวรรคสามจบด้วยกับดอวอว่าไงนะครับ s wa h i อันนี้คือถ้าเราพูดไปแล้ว ครั้งนี้เรามาพูดถึงการรำลึกถึงเล่าบทอื่นที่ว่าควรจะได้อ่านตอนเช้ากันถ้าใครตื่นเช้าปุ๊บมียวกาดทาได้ควรจะทาทาได้ควรจะทําบทแรกที่ผมอยากจะขอเสนอห ล, หลังจากบทที่ว่าไปแล้วนั่นนะครับผม سبحان ا ل ล ه والحمد لله ولا إله إلا ا อ ل ه ั ا ل ل ه أكبر أ ت าวาِ ن َّ ا ولا حول ولا ซึ่ง سبحان الله والحمد لله و ล ا إله إلا ว ل ل ه و สี่การล้ำลึกถึงนี้ครับฉันขอสวีต่อละฉันขอสรรเสริญต่อพระ อ, องค์ไม่มีพระเจ้าที่คู่ควรแ ก, ก่การกลบาวว่านอกจากพระ อ, องค์พระองค์นั้นเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่สี่คำกล่าวนี้มีฮะดีษที่พูดถึงความประเสริฐมากมายมหาศาลเลยเยอะมากผมขออนุญาตนํามาแค่สองบทนํามาแค่2บทบทแรกครับเป็นคำพูดของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในบันทึกของท่านยิมัมอบูอบูอไรรอ ท่านบียร์มบอกว่าการที่ฉันจะได้พูดว่าสุบฮานะลอละฮ์วะลามุดุลิละวะไล ล, ลละลอละฮ์วลละลาหูอักบัตเป็นที่รักสําหรับฉันมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เจอแสงแดดที่ดวงอาทิตย์มันขึ้นดวงอาทิตย์ขึ้นในช่วงยามเช้าในช่วงยามเช้ามีอะไรบนดุนยาบ้างบางคนก็คือช่วงเช้าก็เป็นช่วงธุรกิจหาเงินอ่าช่วงเช้าเป็นช่วงที่หาความรักเป็นหาความรู้หาอะไรก็ตามแต่แต่ท่านอับดุลเบียร์มัสยิดสลายบอกว่าการที่ท่านได้อ่าน สี่คำนี้สําหรับท่านเนี่ยเป็นที่รักสําหรับท่านมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในดุ n y a นี่คือคนที่รักกันเหรอพูดกันตรงๆนี่คือคนที่รักอัลเหรคนที่รักอัลเหรอเขาจะมีความสุขเมื่อได้ราลึกถึงพระองค์คือคําที่บอกว่ารักกันเหรใครก็พูดได้ผมก็พูดได้โอ้ผมรักอัลเหรอมากเลยประเด็นอยู่ที่ว่าเราตรวจสอบตัวเองง่ายๆเลยว่าเรารักอันเหรอจริงไหม ถ้าความสุขของเราคือการที่ได้ล้ำลึกถึงพระองค์นั่นแหละเรารักกันรักกันร้อนจริงพราะเหมือนกับเวลาเรารักใครสักคนใช่ไหมครับคิดถึงเขาเรามีความสุขแต่ผมว่าจะมีสักกี่คนที่คิดถึงกันร้อนแล้วมีความสุขมากกว่าคิดถึงคนอื่นมากกว่าคิดถึงสิ่งอื่นมากกว่าคิดถึงพฤติกรรมอืน่นจะมีสักกี่คนที่คิดถึง อ, อันร้อนแล้วเขามีความสุขมากกว่าเงินที่อยู่ในธนาคารจะมีสักกี่คนที่คิดถึงอันร้อนแล้วมีความสุขมากกว่าเขาคิดถึงแฟนเขา มากกว่าที่เขาคิดถึงลูกหลานเขามากกว่าที่เขาคิดถึงเพื่ อ, อนๆของเขามากกว่าที่เขาคิดถึงเรื่องการ์ตูนมากกว่าที่เขาคิดถึงเรื่องเกมพี่น้องก็จะมีเยอะไหมครับน้อยมีทำหรือไม่ผมมั่นใจว่ามีอย่างน้อยพวกเราก็ต้องพยายามทาให้ได้ดีที่สุดแหละแต่ย้ําสิ่งที่แสดงว่าเรารักเอาไว้จริงนั่นคือความสุขของเราอยู่ที่การได้รำลึกถึงพระองค์ทั้งในยามทุกข์และในยามสุข ลำลึกถึงล้อแต่ยามทุกเนี่ยมันก็ยังดีดีกว่าไม่ลำลึกเลยแต่มันยังไม่สมบูรณ์ต้องลำลึกถึงโพลล้ในยามสุขด้วยฟิสซรลบัตต ร, ร์ใช่ไหมครับพาพิษอายกควรอ่านว่าไงครับมา sha Allah โอเคครับบาร์แล้วก็รอพี่กุมไ อ, อย้ยานี่มีเวลาอยากยิ่งจะคุยกันไอ้ผมสบายดีนะครับผมบาร์บาร์บีรัตสวายครับบาร์มาชาวรอครับเข้าใจครับผมชาะรอคือความเมตตาครับผมงั้นนั้นเป็นฮะดิษบทแรกที่พูดถึงความประเสริฐของการล้ำลึกถึงสี่วรรมนี้เรามาดูอีกวัคอีกฮะดิษหนึ่งซี่ว่าความประเสริฐ ฟ, ฟ, ฟังดูแล้วยิ่งใหญ่มากเลยอยู่ไม่ที้ขอยหม่มอามัดซึ่งเป็นฮะดิษที่เช็คอัลบานีว่าเป็นที่ที่ฮัสซันฮัสซันก็คือเชื่อถือได้ว่าท่านอบีพูด เชื่อถือได้ว่าท่านนาบีพูดอาจจะฟังดูความหมายเวอร์แต่สำหรับอัลลอฮ์มันไม่มีอะไรเวอร์ถ้าพงเจ็มันเกิดขึ้นท่านอนับดลียร์มัสยิสลลัมได้ตอบคำถามครับมีครั้งหนึ่งครับผมท่านอุมูฮานีอุมูฮานีเนีนะ่ยบินตีอ้อับดเียต่อเล็บก็คือมีศักเป็นลูกพี่ลูกน้องของท่า น, นาบับดลียัสยิสลลัมอุ ม, มูฮานีครได้ผ่านท่า น, นาบับดลีมัสยิดสลลัมซึ่งตอนนั้นเนี่ยนางก็อายุมากแล้ว มีสักเป็นลูกพี่ลูกน้องก็จริงแต่ว่าอายุต่างกันหลายสิบปีท่านอุมมุมานีอุ ม, มุฮานีครับได้พูดกับท่านอับดุลโมสลัย์สลามว่าไงครับยารสุรุลละตอนเนี่ยฉันชร า, าแล้วฉันอ่อนแอแล้วความชรากับความอ่อนแอมีผลกับการทำอิบารัดาถูกไหมครับบางทีเราอยากจะทําเหมือนตอนหนุหน่มๆมันทําไม่ได้แล้วหลายๆอย่างเพราะเราเริ่มเอาไปเก็บไปแล้วแต่ท่านอุ ม, มุฮานีก็เหมือนกับคนดีๆอีกหลายๆท่านที่ว่า อยากจะทำอะไรที่ดีๆทำอิบาดาเท่าที่สังขารจะไหวอุโมฮานีก็เลยไปถามท่านเบียสุลลล้อเนี่ยตอนเนี้ยฉันก็เก่ชราแล้วเนี่ยช่วยบอกอะไรสักอย่างที่เป็นสิ่งดีๆที่ท่านสั่งใช้ให้ฉันแล้วฉันจะทำมันไปเรื่อยๆโดยที่ว่าฉันนั้นไม่ต้องลุกไปไหนคือขออิบาดาแบบนั่งอยู่กับที่สุภานล้อแก้ขอนะครับอ่าแก้ขอ ถ้าเกิดเป็นพวกโัวดรุนแรงก็ทำมีบ า, ดาไดจะมาขี้เกียจอะไรฝืนตัวเองไปอะไรก็ว่าไปอิสลามสแสงความเมตตาสแสงความร้อนมาท่านอับดุลเบียมัสลามบอกว่าไงครับง่ายๆเลยนะซับฮินละฮะมิอาตตัสบีฮาาต ะ, ตะเธอกล่าวซุบฮานัลละหนึ่งรอครั้งสิให้กล่าวซุบฮานัลละหนึ่งรอครั้งเพราะมันเทียบเท่ากับการที่ได้ปดปล่อยทาต หนึ่งร้อยคนไม่ใช่ทาตธรรมดาด้วยนะทาตที่สืบเชื้อสายของอิสมาอีนเป็นญาติกัมนตบีทาตเกตรดพรีเมียมมาครับที่เป็นคนดีแล้วเป็นทาตอ่ะหนึ่งร้อยคนท่านอับดุลเบีย ร, ร์มัสยิดสลามบอกการที่วันหนึ่งเนี่ยคนที่ไม่มีความสามารถที่จะทําอามันใหญ่แต่ว่าใจเขาใหญ่กว่าสุขภาพเขาคือใจเรามีความพร้อมแต่ว่าสังขารไม่เอือ้อ ด้ยวยความเมตตาของพระองค์เราพระอค์เราก็ให้การงานที่ว่าต่อให้สังขารไม่ไหวแล้วแต่ก็ให้มีคุณค่าที่มันยิ่งใหญ่ถ้ามันมาจากใจมาจากคุณภาพท่านบีบอให้พูดซุบฮานะลอสตอรีตอรอสซุบฮานลอสซุบฮานะลอสซุบฮานะลอแต่ถ้าเกิดจะรวมแบบเดีวยวเมื่อกี้ก็คือซุบฮานลอวบิฮัมดฮีแล้วก็ สุบานัลมีหลายบทนะครับุบานัแลดีใลลูก็ได้สุ al ala, บานั่นแหลดีสุบานัหดีมก็ได้สุบานั่นและใดลลเวลาเราเราวกบัเลาราเวลากัวแต่บทนี้ก็ได้สรุปคือขอให้ได้อ่านทั้งหมดแต่ท่านมบีแยกประเด็นครับถ้าเกิดอ่านสุบานัลวันลหนึ่งร้ครั้งเนี่ยเทียบเท่าการปล่อยทาตที่ไปนลูกหลานนิสมาอินแล้วเธอจงกล่าวอัลฮัมดูลิลละหนึ่งร้อยครั้งเ <c oughs> ทียบเท่าการที่เธอมีม้าศึกที่ กำยำที่พร้อมรบแล้วเธอได้บริจาคมันไปเพื่ออีทางของอัลลอฮหนึ่งตัวพูดเลนะครับอัลฮัมดุดลิลละอัลฮัมดุดลิลละสุภุานอัลลอฮ์ก่อนแล้วก็อัลฮัมดุดลิลละอีกหนึ่งร้อครั้งหลังจากนั้นครับท่านบับดุลเละสลัมบอกว่าไงครับหลังจากนั้นนเธอก็จงอ่านลาอิละฮ์อิลลอห์ ถ้าในฮะดีษจะบอกอัลลอฮฺบัสก่อนแล้วจะพูดทีหลังแล้วเธอก็จงพูดอัลลอฮฺบัสหนึ่งร้อยครั้งมันจะเทียบเท่าการที่เธอมีอูดที่ชะกันอูดตัวใหญ่ที่เธอได้บริจาคที่ทํากุรอานไปหนึ่งร้อยตัวแล้วลอ ร, รับถ้าหนึ่งร้อยตัวจากเธอโอ้สุบาน ล, ละบอกอันนี้คืออัลลอฮฺบัสหนึ่งร้อยครั้งหลังจากนั้นครับท่านอูยุเสเซมได้บอกยังไงครับแล้วเธอก็จงก็ ทงพูดว่าลาอิลาห์อิลลัลลอฮ์หนึ่งร้อยครั้งเพราะอะไรครับเพราะมันนั้นผลบุญที่เธอได้เนี่ยจะเทียบเท่าความดีงามที่เต็มฟากฟ้าและ แ, แผ่นดินทั้งหมดเลยลาอิลลัลลอฮ์อีกหนึ่งร้อยครั้งแล้วจะไม่มีใครที่จะทําการงานเกินหน้าเธอนอกจากคนที่อ่านสี่วรรคนี้มากกว่าเธอสุภาพละความเมตตาของพู้อัลลอฮ์ที่มีให้กับ ผู้ที่ว่าเริ่มสังขารไม่มีแล้วเริ่มพูดง่ายๆคือร่างกายไม่เอื้อแต่ใจยังยังสู้อยู่นี่คือความไม่ตาของเราซึ่งเราคนที่ยังแข็งแรงอยู่การอ่านสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ดีความมีงามอยู่ที่อลัลลอฮ์ทั้งความมีงามทั้งหมดนั้นขึ้น อ, อยู่กับคุณภาพของผู้ที่ทําึ้นอยู่กับคุณภาพครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องง่ายๆ ใ, ใกล้ตัวนะครับที่ว่าไม่อยากจะให้ได้พลาดกัน ก็คือการริ้เรื่องละงั้นตอนแรกเราได้สุบาร์ละวะริห์มดีละได้คอลกีวะร้อมซีวะซินอาชีวะมิได้กะรีมาติยะนั้นสมจบหลังจากนั้นก็แต่ละเช้าถ้าเป็นไปได้เนาะก็อ่านกับลูกอ่านกับหลานก็คืออนที่มันรวมสามวรกนะครับที่รวมสามวรกอ่าขอมาี่ที่รวมสี่วรกที่รวมสีวรเช่นสุบาร์ละวะริหมดีละวะละละลวลักบัวะลเขาวละวะลกุไลไปละลนี่เราดีมหนึ่อยครั้งอยู่วรกเดียวง่ายดีหลังจากนั้นควรอ่านอะไรครับ ดูในรื่อองบุคคลีสิ่งที่ท่านอับีอ่านเป็นประจำเพื่อจะคุ้นเคยกันอ ah um nah พอตอนเย็นปุ๊บสลับนิดหนึง่งอ ah um nah ันนเลยนเีป็นมาเซ้ ir, ใหม่เหมือกันอันนี้คือท่านอับียรสะจอ่านเป็นประจำสามจบ เช้า3จบเย็นสจบถ้าเราอ่านตอนเย็นนี่อ่านหลังอัสลีหลังหลังอัสลีเพราะถ้าหลังมัคฤิถือเป็นช่วงข้ามแล้วครับต่อไปครับมีหลายบทเลยอัลลอไม่ีอัสกาอิลมานนาฟิอันบริสกันตอีบันวาอัมรันมุตะกับบาลันก็เป็นอีกหนึ่งดุอาที่ดีๆที่ว่าควรขอก็คือว่าลฉันขอให้ฉันมีความรู้เหมือนตอนเนี้ยเรามาเรียนรู้ใช่ไหมขอให้มันเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์สาคัญมากเลย คือกว่าจะได้ความรู้มามันก็ยากใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเราต้องมานั่งเรียนกันวันละชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าจะได้ความรู้มันยากมันน่าเสียใจมากถ้าเกิดว่าความรู้ที่ได้มามันไม่เป็นประโยชน์กับเราหรือมันไปทําลายเราไม่เป็นประโยชน์แย่แล้วนะแต่ไปทําลายยิ่งแย่ใหญ่เลยถึงเวลาลูกแนวเลาะบอกเจ้าไปสอนผู้คนแล้วทําไมเจ้าไม่ทำซะเองไอเ น, นี่ยพวกผมมาโดนก่อนใครเลยสอนแล้วไม่ได้ทํา ก็คือถือว่าเป็นความรู้ที่มันไม่ยังประโยชน์กับพวกเราเพราะฉะนั้นก็ขอดูอาจารย์อว่าอาล่ะคุณม่อินนิอออินนีหรืออินาก็ได้โอว์รอขอให้เรานั้นได้อินมันนาฟิอันความรู้ที่เป็นประโยชน์กับเราทั้งโลกนี้กับโลกหน้าว่าิสกันต่อยีบันสาคัญเลยริสกีที่มันดีริสกีใครว่าทั้งหมดคือของริสกีคือสิ่งที่ดีไม่ใช่ริสกีบางอย่างไม่ดี เหมือนกับที่เราเล่ากาว่าบรรดาพวกที่เขาตรหนีต่อสิ่งที่เราให้กับพวกเขาพวกเขาคิดกันนั้นหรือว่าสิ่งที่เราให้ความมั่งคั่งกับพวกเขานั้นดีสําหรับเขาไม่ใช่บัลทัวชัดเลละหุมแต่ทว่ามันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายสําหรับเขาต่างหากแต่เขาไม่รู้ฟานอสกีบางคนได้ทรัพย์สินยิ่งได้เงินปุ๊บยิ่งห่างไกลจากกันล้อยิ่งได้ทรัพย์สินได้เยอะปุ๊บยิ่งไม่สามารถทิ้งมันได้ มุสลิมกี่คนล่ะครับที่ว่าพอยุ่งกับของที่ฮารอมแล้วมีบ้านช่องที่ใหญ่โตแล้วมีรถหลายคันให้ครับผลสุดท้ายไม่สามารถที่จะละทิ้งทรัพย์สินฮารอมได้เพราะมันเคยชินกับความสุขนั้นไปแล้วบางคนอ่ลเราก็อาจจะเตือนสติให้เขาไม่สบายหนักๆเงินที่เก็บมาเป็นล้านเนี่ยต้องไปประเคนให้หมอแทนหรือบางคนโดนหนักกว่านั้นเจอล้ม บางคนที่คิดได้ก็อัลฮัมตุลิลลาฮ์ขอเล้อเมตตาบางคนที่คิดไม่ได้ก็อัซบิลลาฮ์ขอเล้อเมตต า, า, ก, ตาก็คือมันก็มีหมดเพราะฉะนั้นริสกีไม่ใช่ว่าขึ้นชื่อว่าเงินแล้วมันจะดีหมดมีทั้งเงินที่ดีกับเรากับเงินที่ดีไม่ดีสําหรับเราเพราะฉะนั้นเราต้องขอราจาก์อัลลอฮ์ว่าริสกีที่เราได้มานั้นริสขอให้มันเป็นริสกีที่ดีอัลลอฮุมะ ออัลกอนฟันวสกอีุ่อันสุดท้ายสำคัญที่สุดเป็นประเด็นที่เราต้องห่วงมากที่สุดว่าอมะลัตกบาลการงานที่เราทำไปเี่ยขอให้อัลลอรับอันนี้น่ากลัวที่สุดน่ากลัวมากเพราะว่าใช้ตอนมันมาหาเราทุกรูปแบบ มันจะพยายามไม่ให้เราได้ทําสิ่งที่ดีแล้วต่อให้เราทําสิ่งที่ดีแล้วมันก็จะพยายามทําลายคุณค่าของมันไปจากเราซะให้เราปิวัวดคนอื่นให้เราหญิงยโสหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันจะทําให้การงานของเราหายไปเพื่อที่จะได้ไปเป็นกลุ่มที่ว่าถึงเวลาโลกหน้าถ้าเรากล่าเล็กว่านะครับวามาอัมมิดูมินอัมารินฟอเรนลาหัวบามันสู้เราการงานที่เขาทํามันไปเนี่ย เราได้ให้มันกลายเป็นฝุ่นที่มันไร้ค่าทําเยอะบางคนบอกยาวล้อยเนี่ฉันบริจาคฉันสร้างมัสยิดเกือบทุกที่ที่ไหนประกาศฉันบริจาคหมดเลยเสียอย่างเดียวตอนมีชีวิตเนี่ยฉันชอบไปโฆษณาให้คนอื่นว่าฉันบริจาคหมดเลยพอถึงเวลาโลกหน้าปุ๊บพวกเราบอกว่าจริงๆแล้วเจ้าไม่ทำเพื่อค่าเจ้าทําเพื่อให้คนชมพวกเราแค่เป็นศูนย์ที่บริจาคหมดเป็นศูนย์บางคนละหมาตรักษาละหมาดเขร่งคัด ละหมาดทันจะมาสี่สิบวันสุบานหรือเลือบางคนทำความดีอะไรที่เยอะเยอะเยอเยอยะมากมายแล้วก็ถึงเวลาปุ๊บไปไปติดตรงที่บางทีมันอยากพูดคือการพูดไม่ใช่ว่าพูดปุ๊บการงานจะสูญเสียทันทีแต่มันจะลดคุณค่าแต่จะลดแค่ไหน อ, อาลอเทานั้นที่รู้อาจจะลดถึงขั้นติดลบหรืออาจจะไม่ลด แต่ก็คือมันคือความเสี่ยงที่เราไม่รู้เราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราไปยืนอยู่ต่อหน้าลอสแล้วพวลลอสบอกว่าการนี้ค่ารับการงานนี้ค่าไม่รับเพราะฉะนั้นดูว่าที่เราต้องขอเพื่อไปการตอบย้ำตัวเองใช่เนาะว่าอามารันมุตะกอบบาราขอต่อลอสให้สิ่งที่เราจะทําในวันเนี่ยเป็นวันที่เป็นการงานที่เอาลอสตอกค ร, รับย้าเฉพาะการงานที่ดีนะการงานที่ไม่ดีขอให้พลลอสลบลบมันไปถือว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นสําหรับพวลลอสความเมตตาของมึงมากมายครับ มีใครอ่านดัวคือจริงๆดัวตอนเช้าถ้าเกิดจะพูดนะครับเยอะมากเลยรวบลงมา 20-30 กว่าบทมีท่านใดมีบทไหนที่อ่านเป็นประจำไหมครับหรือว่าก็บทที่พูดมาเนี่ยแหละส่วนใหญ่เป็นบทวันนี้แหละก็ทำดีแล้วถ้าเกิดท่านจะมีมากเกิดมีปัญหาอย่างเช่ยนยาคุณซีหรือว่ากุญสามกุญหรือว่าครับได้ครับครับหรือว่าจะเป็นดอาอะไรก็ตามที่ว่าสรุปขอให้เป็นการรำลึกถึงวอลพราะเราจะไม่เสียใจแน่นอน ถ้าเรามร่มถึงลอลลอห์บทไหนก็ได้ขอให้ได้อ่านแล้วก็ที่ผมย้ำเป็นประจำก็คือรักษาความต่อเ น, นื่องอย่าทำแค่ครั้งเดียวแล้วจบบางทีวันนี้ฉันฟิตอ่านเป็นพันอย่างไงครับอะไรที่มันทำเวอร์เกินไปมันอยู่ได้ไม่นานเนาะออผู้แตกมันอยู่ไม่ ไ, มได้ไม่นานถึงเวลามันก็จะหายไปในเรื่องของดูอันชาลลอห์น่าจะน่าจะแค่นี้ขอเรื่องตะวักุนบทสุดท้ายตะวกักขุนครับ ในริสพิเศษที่มีดีครับอา น, นาสเรลอนุก็ละกอนสุลลอสลอมมันก็หลยายะงนี่ละข้อระจำมินไบตี้เพราะปกติแล้วพวกเราหลายๆท่านตอนเช้าน่าจะต้องออกจากบ้านส่วนใหญ่ใช่ไหมเป็นชีวิตที่ต้องออกจากบ้านตอนเช้าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ท่านละบี ว, สวัวสดุวสลังบอกครับว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดของพวกท่านกล่าวตอนที่เขาออกจากบ้านว่า ب ิ سم الله تواكلت على الله و ล ا حول ولا قوة ังไงเสร็จแล้ ว, เ, วเป็นปราจำอีแล้วครับบิลาฮิวัตุอัลลอฮิลา ح و ยังไงจอล้วเป็นประจำอี่แล้วครับบิสมิลลาฮิตาวั卡尔ตุอัลลอฮิลา حول و ل ล قوة إلّا بالله ยังไงเสก็จอด้วย น, Allah, น, ยนปรขจ ง, ง อ, จนนอกจกีาากแล้วครันบิ ส, สมิลลาฮิตาวั卡尔ตุอัลลอฮิลา ح น ل ولا قوة إلّا ب ่ ل ل ه ยังไงเสรจแล้วเปนปรจำอกแล้ครับบิสม uh ิลลาฮตาวั卡尔ตุอัลลอฮิลา حول ولا قوة إ ل ก ا بالله ยังไงเสร็จแล้วเป็นปะจำอีกแล้วครับบิสมิลลา ใครก็ตามที่อ่านดูอาบทนี้จะมีคนพูดกับเขาว่าใครพูดว่าร้อยลมอิลมุลเก็บแต่จะมีคนพูดกับเขาคราว่าคุณเนี่ยได้รับทางนำแล้วคุณได้รับการปกป้องแล้วแล้วชัยตอนจะไม่สามารถมาทำให้คุณเสียพูเสียคนได้อ่านด้วยความจริงใจนะอ่านด้วยความจริงใจเรื่องชาวล้อในวันนั้นชัยตอนจะไม่สามารถทาให้เราเสียพูเสียคนได้แต่ไอเรื่องมันมากวนมาอยู่แล้ว มาอยู่แล้วเอาครับงั้นอายะวัต ด, ดูฮาน่าจะพอเพียงเท่านี้ปอไปมาที่อายะที่สองครับในกุรอานหลังจากที่เราบอกว่า ด, ดูฮาขอสาบานด้วยยามสายซึ่งก็ครอบคุมเวลาตอนเช้าทั้งหมดกุรอานได้พูดต่อคราว่า <c oughs> วันเลนีอีดาซะจ่แล้วขอสาบานด้วยกับยามค่ําคืนเมื่อมันนั้นได้เข้ามาปกคุมพวกรักษะพง สงสาบานในช่วงยามเชา้าซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตการงานชีวิตแล้วก็ในยามค่ําซึ่งก็เป็นช่วงของการพักซึ่งเรากเคยสังเกตว่าวันหนึ่งมันก็จะหมุนเวียนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแหละกล า, า, างวันกลางคืนกลางวันกลางคืนความทุกข์ความสุขมันก็อยู่แค่นี้ดุนยาอยู่แค่นี้แล้วเดี๋ยวเราจะเกตกับอายะที่สี่ถ้าเราวาดภาพตรงนี้ออกนะครับ ว่าชีวิตของเราจริงๆแล้วในแต่ละวันก็คือตื่นมาตอนเช้าทําอะไรก็ตามแต่ถึงเวลาก็ค่ำละค่ำละถึงเวลาก็อะไรก็ไม่รู้แล้วก็ร อ, อนอนแล้วก็วนไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่คือดุลยามีวันไหนไหมครับที่มีแต่ทุกข์อย่างเดียวไม่ไ ม, มีถ้าเป็นมุสลิมถ้าเรามองเป็นไม่มีหลักวันไหนที่มีแต่ทุกข์อย่างเดียวในความมืดแค่ไหนมันยังมีความดีงามอยู่แล้วก็มีไหมครับวันไหนที่มีแต่สุขอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้สําหรับมุสลิมเป็นไปไม่ได้ เพรความบกพร่องของเรามันเยอะเยอะกว่าที่เราจะสุขโดยที่ไม่มีทุกข์เลยเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่มุสลิมอาจจะมีอาจจะมีสุขสักวันหนึ่งกลับมาทุกข์ทีหลังเลยอะไรก็ตามแต่แต่สำหรับมุสลิมในหนึ่งวันไม่มีวันไหนที่เราสุขอย่างเดียวหรือว่าทุกข์อย่างเดียวทั้งคู่มันอยู่ในชีวิตของเราครับอายะที่สาครับมาวัดยาการับรุกาวามากลาแน่นอนพวกล้อ น, นั้นไม่ได้ทอดทิ้งเจ้าแล้วพค์นั้นก็ไม่ได้โกรธเคืองเจ้า ปะเด น, นี้น่าสนใจครับถ้าเราดูถึงวันเวลาก็คือวันเวลาข้อที่จริงของวันเวลามันคืออายุไขัของพวกเรามันคือชีวิตของพวกเราถูกไหมครับผ่านไปวันหนึง่งผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปหนึ่งเดือนผ่านไปหนึ่งปีเรารู้สึกมันหมุนเวียนไปเรื่อยๆแต่นั่นคืออายุของเราที่มันใกล้จะหมดเพราะชีวิตเรากําลังเดินหน้าเข้าหาความตายถ้าเรามองอย่างนี้ครับถ้าเราดูในบททดสอบของชีวิตของเราแต่ละคนแต่ละคน บททดสอบชีวิตเยอะชีวิตหนักบางคนที่โดนหนักมากคือบางคนได้แต่น้ําตาตกในได้แต่ยิ้มให้คนอื่นเห็นแต่ว่าในใจเนะี่ยมีเรื่องอยากร้องทุกข์มีเรื่องอยากอะไรแต่ก็เก็บมันไว้แล้วก็ร้องทุกข์แคบละส่งรับรู้เพียงพระองค์เดียวพอเราบอกให้รู้ครับว่าไม่ว่า ว, วันเวลามันอาจจะดูว่ามันผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามสําหรับเรามาวัดดาการับรูว้ว่ามาก็แล้วสำหรับโรงพยาบาลของเจ้านั้นพระองค์นั้นไม่เคยทอดทิ้งเจ้าเราอาจจะรู้สึกเหมือนเราทอดทิ้งไงครับเวลาที่โดนบททดสอบ เนี่ยฉันขอดัวามาแล้วหนึ่งวันหรือบางทีฉันขอเวลาตอนเช้าอ่ะทําไมตอนข้ามความชั่วเหลือยังมาไม่ถึงสักทีแต่พวกเราก็บอกว่าวัน ด, ดูฮาวันไลนีซ า, า, าสะจารวรสลับาทั้งยามเช้าทั้งยามข้ามเจ้าหมุนไปเรื่อยเื่แต่ที่แน่แนถ้าเป็นผู้ศรัทธามาวัดดากาพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเจ้ามุสลิมเรารู้ได้ไงว่าร้อนไม่เคยทอดทิ้งเราครับการที่เรายังหายใจอยู่มันก็แสดงว่าเร้อนไม่ได้ทอดทิ้งเราการที่เรายังหายใจอยู่ในสภาพของมุสลิม แสดงว่าอัลลอฮ์ยังไม่ได้ทอดทิ้งเราแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ลมหายใจของเราไม่ใช่ลมหายใจของมุสลิมไม่ใช่ลมหายใจของคนที่ยอมรับต่ออัลล์ไม่ใช่ลมหายใจของผู้ที่เชื่อมั่นต่ออัลลอ์อันนี้ต่างหากที่ว่าพระเจ้าทอดทิ้งเราเรียบร้อยแล้วเพราะทุกความผิดที่เราทำพระองค์พร้อมจะยกโทษยกเว้นการตั้งภารกีการทาศิลปมาวัดเดาการับบุกาวมากราแล้วเราไม่ได้ โกรธเคืองเจ้านะเวลาที่เรารู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตมันถึงทางตันมันไม่เจอทางออกบางทีเราอย่ารีบไปตัดสินบางท่านนี่ชอบเหยียบย่ําตัวเองไงคือมนุษย์เราแปลกนะครับเวลาที่เรารู้สึกแย่ครับยิ่งรู้สึกได้เหยียบตัวเองซ้ํามันยิ่งเหมือนกับมันสะใจอ่ะใช่สิฉันมันแล้วนี่ฉันก็เลยต้องเจอแบบนี้นชีวิตมันมันไม่เคยมีอะไรดีเลยนี่แล้วก็เหมือนกับเหยียบย่ําตัวเองให้มันเจ็บเจ็บเจบ็บเจ็บเหมือนคนบางคนเจ็บแล้วมีแผลแล้วชอบไปหยิกอะไรประมาณเนี่ย โอ้ยมันจริ่งเจ็บมันมันแตกเหมือนกันนะมนุษย์แต่ว่าเราก็บอกให้รู้ครับถ้าเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยมาวัดดารการอปุกวามาก็ลาพระองค์ไม่ได้โกรธเจ้าจะโกรธเจ้าก็ต่อเมื่อว่าเจ้าฝ่าฝืนคําสั่งของพระองค์แล้วเสียชีวิตในสภาพนั้นฝ่าฝืนแต่พระองค์แล้วพระองค์แล้วยังรอให้อภัยอยู่ยังรอยกโทษให้อยู่พระองค์ไม่ชอบอยู่แล้วแหละแต่พระองค์พร้อมรอให้เรากลับตัวถ้าเรากลับตัวปุ๊บยกโทษเจ้ากันไป ไปนับมาวัดยากรบุกาวมากลาลใช้กับช่วงเวลาในชีวิตอายุไขทั้งหมดของเรายิ่งโดยเฉพาะเวลาที่เรารู้สึกท้อแทรรู้สึกว่ามันต้องการกำลังใจอายะต่อมาที่พงพงละได้พูดต่อครับหลังจากที่ว่าดตูฮาวาเลดิจัสจามาวัดยากรบุกาวมากาลวลลัชระตูไคลุลักะมิลาอูลาอายะสั้นๆที่พงละยกมานะครับมันมันปิด ปิดความรู้สึกทั้งหมดของผู้ศรัทธาแล้วมันจบแล้วว่าล้วอาคิรัตุค่อยลุลละแกมินันอูแหละโลกหน้าเนี่ยมันดีกว่าสำหรับเจ้าโลกหน้าดีกว่าสำหรับเจ้าทำไมโลกหน้าถึงไม่ดีกว่าล่ะครับถ้าเราดูความสุขในดุนยาเนี่ยมันมีที่สิ้นสุดไงมันมีจุดจบหมนเลย เรากำลังมีความสุขกับการได้กินของอร่อยกินจนอิม่มแทบเดินไปไหนไม่ไหวมีความสุขถึงเวลามื้อต่อไปหิวไหมครับความสุขที่มียังอยู่ไหมหายไปแล้วดุนยามันจะมีความสุขได้อย่างไรถ้าเกิดว่ามั น, มนขาดหายครับแค่กินข้าวมีความสุขกินข้าวแป๊บเดียวมันก็หายเรามีเงิน ใ, ใช้พอใช้เงินเงินหายไหมเงินก็หาย พอเรามีบ้านช่องถึงเวลามันมีผูพังมันมีต้องเปลี่ยนมันมีต้องซ่อมไม่ก็มีเรามีรถเรามีพาหนะเรามีอะไรก็ตามผลสรายเราต้องตายไหมจบที่เขาว่าตายใช่ไหมงั้นมันดีตรงไหนล่ะพอเราบอกไอ้สั้นๆคือมันเหมือนกับมันไม่มีอะไรเยอะเนี่ยแต่ถ้าเรามาคิดปุ๊บพอเราบอกสัจธรรมที่มันชัดเจนที่สุดที่มุสลิมเข้าใจได้ยากที่สุดโลกหน้ามันดีกว่า ทำไมผมจะว่ามุสลิมเราเขาใจยากเกิดครับเพราะถึงเวลาปุ๊บเราต้องเรื่องลกนี้ก่อนโอ้ฉันยังเหนื่อยอยู่ดูตัวอย่างง่ายๆผมคิดว่าหลายคนน่าจะคล้ายๆกันผมเอาเคสของผมนี่แหละอย่างตอนขำๆครับเหนื่อยจะทําอีบาร์ด้าอะไรปุ๊บมันไม่ค่อยไหวนะไงพอจะนอนปุ๊บโอ้ฉันจะลุกทำอีบาร์อ้ไม่ไหวเหนื่อยอะหยิบมือถือมาแล้วกั น, ม, นมันเหนื่อยทาอิบาร์ด้าไม่ไหวมันเหมือนจะหลับแต่พออยู่กับมือถือหมดไปหนึ่งชั่วโมง หนึ่งชั่วโมงน่าจะทำมีบาลนะนะแต่พอวางปุ๊บเป็นไงครับแบตหมดแล้วมันง่วงแล้วอยากล้อฉันไม่ไหวแล้วฉันเออฉันเหนื่อยแล้วพรุ่งนี้ฉันค่อยว่าแล้วกันแต่ได้ถึงเวลาตื่นตึงมีเสียงมากำลังจะหลับแล้วใครอยากรู้มีอะไรมาทักอะไรมาพูดอย่างนี้พอดูปุ๊บมีคนดา่าเราเนี่ว่าโอ้ยที่จะหับนี่หลับลงไหมครับ ไม่ลงแล้วมันต้องไปค้ น, คนมันพูดอะไรมันอะไรกับใครมั่งอะไรยังไ ง, ง, ไงผลสุดท้ายนู่นตีหนึ่งทั้งๆ ท, ที่ตอนแรกก่อนจะลาปีสี่ทุ่มบอกยาแล้วฉันทำอิบาร์ด้าไม่ไหวฉันเหนื่อยแล้วแต่ความเหนื่อยของฉันฉันมีพื้นที่สําหรับอะไรก็ไม่รู้อีกสามชั่วโมงอันนี้ข้อเท็จจริงของมนุษย์ไหมใช่ใชแล้วพอ<ๆ>เราบอกว่าไงครับวลลัลอาเคโรตุเคยนุลระแกมเนรูระแต่โลกหน้ามันดีกว่าถามว่าเรารู้ไหม รู้ทุกคนรู้แหละมุสลิมคนไหนบ้างไม่รู้ว่าโลกหน้าดีกว่าโลกนี้เรารู้หมดอมืแต่อะไรล่ะแต่มันอะไรแต่มันเกิดอะไรขึ้นถูกไหมครับรู้ไหมครับว่าท่า น, นาอับดุลเลอะห์สลามได้พูดเอาไว้ครับบอกว่าพวกท่านเนี่ยนะจะไปอะไรกับดุงยากันมากจะไปอะไรกับดุงยากันมากล่ะอย่างยุคนี้กิดร อ, องเท้าใหม่ออกกับมือถือใหม่ออกกันนาฬิกาใหม่ออกกัอะไรก็ไม่รู้แหละออกกอกอกออกสนใจหมด สันนบาตุสัน บ, บ, บนนนญญาบว่ญญาสำหรับฉันเนี่ยฉันไม่ได้แคร์อะไรดุนยาเลยดุนยาสำหรับฉันเนี่ยเหมือนกับการที่ฉันนั้นเดินทางมาหนื่อยเนื่อยฉันเจอร่มเงาฉันก็เลยแวะพักให้หายเหนื่อยแล้วฉันก็ไปต่อคำพูดนี้ของท่านอบีมูฮัมมัดสุลตาลของอาเลสซัลลัมเป็นคำพูดที่สรุปมาจากการใช้ชีวิตตลอดชีวิตของท่านไม่ใช่พูดเท่ คือสมัยนี้เวลาพูดเท่นี่ใครก็พูดได้ใช่ไหมครับยิ่งมีเฟซมีอะไรวันนี้มีอมารมณ์ไอเดียบันเจิดอ่ะโพสแบบโพสเจิงๆมีคนดูหูคิดได้ไงเนี่ยเจ๋งจังเลยเหมือนคนโพสต์จะทําได้เปล่าทําไม่ได้หรอกมันคิดจริงๆไปงั้นแหละแต่ท่านอับดุลเบี๊ย์มัสลิมคําพูดนี้ท่านกั่นมา ก, ก, ากจากประจักประสบการณ์ชีวิต63ปีในดุลยาอ่าไม่ถึงตอนพูดนี่ยังไม่เสียชีวิตตีว่า60ปีที่ท่านอับดุลเบี๊มัสมพูดประโยคนี้บอกว่า สำหรับฉันเนี่ยไม่ได้อะไรกับดุลยาเลยมันก็เป็นเหมือนกับว่าฉันนั้นเดินทางมานเหนื่อยๆแล้วฉันก็พักแล้วฉันก็พร้อมที่จะไปเพราะท่านเบียร์วสัสดามนมาตาหยุดจนเท้าบวมฟัดดูซุนนะไม่ทิ้งการรับเลือกเถอะหรอไม่ทิ้งอยู่อย่างดุลยาแบบสา ร, รมะมัธที่สุดของที่สุดของที่สุดเราลองคิดดูว่าตอนเนี่ยนะถ้าเราตายมีอะไรเราทิ้งไว้ให้กับลูกหลานบ้างอาจจะมีท่านเบียร์วสัสลามีอะไรทิ้งไว้บ้างครับตอนเสียชีวิตเหลือแค่เกราะที่ใช้ในการรบ แล้วเป็นเกาะที่เอาไปค้ำประกันด้วยเป็นเกาะที่มีนี่ด้วยนั่นคือตอนเสียชีวิตไม่มีอะไรเลยนอกจากนี้แป้งสักกระสอบในบ้านก็ไม่มีอาหารคือหาแบบหามาได้ปุ๊บได้มาเท่าไหร่ก็คือกินเท่าที่กินที่เหลือก็บริจาคไม่ได้บอกให้เราทําขนาดนั้นเราทำไม่ได้ยุคนี้ทำไม่ได้หรอกเพียงแต่จะบอกว่าท่านนบีอัลกษัตย์ซามได้สรุปดุนย์ให้เรารู้ว่าสำหรับท่านนบีเนี่ยท่านนบีมองดุลย์อย่างนี้ ถ้าอยากทําตัวให้เหมือนท่านอาบิวัชรธรรมพยายามมองดุนยาแบบนี้แล้วความทุกข์มันจะน้อยลงการยึดติด จ, จะน้อยลงเรากําลังมาพักอยู่ใต้ร่มอากาศมันร้อนช่วงนี้อากาศมันร้อนเนี่ยเรามาพักอยู่ใต้ร่มถึงเวลาเราหายเหนื่อยเราก็พร้อมที่จะไปต่อที่ท่านอบีวัชรธรรมเปรียบเทียบเนี่ยคิดว่าทําให้ดุนยาดูต่ําต้อยแล้วใช่ไหมครับพอเราะเปรียบเทียบดุนยาต่ําต้อยกว่านี้อีก พงวะสุบฮาตราผู้ทรงสร้างดุลย์ยาพงรู้จักดุลยาดียิ่งกว่าใครผู้สร้างสิ่งมีชีวิตมาในร่างกายเราไม่รู้กี่ล้านล้านสิ่งมีชีวิตไม่รู้กี่เซลลผู้ที่สร้างสิ่งมีชีวิตมาไม่รู้กี่ประเภทผู้ที่สร้างสิ่งต่างๆมาทั้งมีชีวิตทั้งไม่มีชีวิตทั้งโลกไม่รู้กี่ดวงกี่ดวงกี่ดวงกี่ดวงทั้งหมดที่พองสร้างมาเนี่ยท่านอบับดุลเลาะห์โมมัสลัลลาฮฺฮวงอะเลสลำได้บอกว่าไงครับ ท่านนบีมุลิลามได้บอกไว้ครับว่าเลาแกนติดด ah ุนยาตสดิลอินดะลอฮิชนฮัลบาอูดะมาสกากาฟิรอมินฮาชุดบัตเอร์มาเนื้อเ่ครมาติดมีดีท่านนบีมุสลิมสลามบอกว่าหากโลกดุนยานี้สำหรับพระองค์หอสำหรับพระองค์หอและจินตนาการว่าดุนยานี้มีอะไรเพื่อแผ่อะไรบ้างสำหรับาสำหรับพระองค์หแล้วหากโลกดุนยานี้มีค่าสำหรับพระ อ, องค์ เพียงเท่าปีกยุง่งเพียงเท่าปีกยุงหนึ่งข้างพระองค์ก็คงจะไม่ให้แค่น้ําไม่ให้น้ํากับผู้ที่ปฏิเสธต่อพระองค์แต่คือเพราะว่ามันไม่มีค่าสำหรับพระองค์ในดุลยาเพราะนั้นการที่พระองค์จะให้กอรุณลำรวยมหาศารเพราะดุลยามันไม่มีค่าไงเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ให้อาคนจะชั่วจะเลวร้วาขั้นไหนก็ให้มันมั่งข้างให้มันลำรวยให้มันมีความสุขดุลยาเพราะดุลยยามัน ไร้ค่าเลยสำหรับอัลลอฮ์ใช้คําว่าไร้ค่าเพราะท่านอามีใช้คําว่าไงนะครับหากดุลยาสําหรับพวกอัลลอฮ์มีค่าแค่เท่าปีกยุงแปลว่าเท่าปีกยุงไหมครับสำหรับอัลลอฮ์ไม่เท่าหากดุลยาทั้งหมดในดุลยาสำหรับอัลลอฮ์ที่เรารู้สึกมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เป็นอะไรที่แบบว่าชีวิตเราอยู่กับมันเราผูกพันกับมันเราไม่อยากจากมันไปไหนเราอยากได้อยากได้อยากได้อยากได้แต่สําหรับพว้อัลลอฮ์แล้วหากมันมีค่าแค่เท่าปีกยุง พก็คงไม่ให้คนที่ชั่วมีความสุขในด u n y a แล้วแต่แปลว่ามันเป็นมันไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าความสุขสุภาพนลละวะแปลว่าพงษ์กัลวะบอกให้เรารู้ใน hadis บทนี้ว่าสิ่งที่มีในดุ ญ, ญาที่เรารู้สึกดีกับมันลหลงไหลได้ปื้มกับมันมันไม่ได้เรียกว่าความสุขมันไม่ได้ใกล้เคียงกับคำว่าความสุขความสุขคือสิ่งที่รอพวกเราอยู่ในสวรรค์ต่างหาก อันนั้นเรียกว่าความสุขซึ่งผู้ที่สร้างโลกดุนยาย่อมรู้จักโลกดุนยาดีกว่าเราแล้วองค์บอกให้เรารู้ว่าทุกอย่างที่อยู่ในดุนยาเนี่ยคุณค่ามันไม่ได้เท่ากับปีกยุงเลยแล้วผู้ศรัทธาทําไมเราถึงต้องไปยึดติดอะไรมันขนาดนั้นทําไมถึงว่าชีวิตนั้นฉันขาดนั้นไม่ได้ฉันขาดสิ่งนี้ไม่ได้ขาดคนนั้นไม่ได้ขาดคนนี้นไม่ได้ฉันต้องอยู่กับของที่อารอมฉันขาดเงินไม่ได้ฉันขาดลูกหลานไม่ได้มันมันมันอะไรค่ า, าจริง นี่คือสิ่งที่ท่านบีมัซเรสลามเตือนให้กับผู้ศรัทธาให้รู้ครับแล้วพวกลรล้อได้กล่าวไว้หมไงครับว่ามาอุติตุมินชออินฟะมาตะหยาติตุนยาวาซีเนตะฮะบะมาอินละลาฮิไคลูอับบะควอัฟลาตะกิลุนในสุรัลกัสัสครับพวงละลอได้กล่าวไว้ครับว่าอะไรก็ตามที่พวกเจ้าได้ในตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยทั้งหมดที่เจ้าได้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ดุนยาและความงดงามในดุนยา ในขณะที่สิ่งที่อยู่กับอัลล อ, อ์ น, นั้นมันเป็นสิ่งที่ดีกว่าแล้วก็คงอยู่ตลอดการทำไมพวกเจ้าไม่ใช้สติปัญญากันการ น, นั้นหรือโอ้ฟุ่เราพูดแรงเราเจ็บแต่เราก็พร้อมจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าแปลกนะคือบางทีเหมือนกับแบบว่ามันใช่นะ่ฉันผิดไปแล้วแต่ฉันก็ยังจะผิดต่อไปเรื่อยๆมนันตรงนี้น่ากลัวเนาะมรงนี้น่ากลัว ซึ่งครับนาวสุดไปแล้วเจ็บแป๊บเดียวเดี๋ยวลืมนะครับเนืที่พระรกวในกุรอานอิสรามอัลอาลาใช่ไหมครับว่าบัรตุสดูในข้ายาตุนยาแต่ว่าพวกเจ้านั้นได้รับผลกระทบหรือว่าหลงไหลกับโลกดุนยามากเกินไปหลงไหลกับโลกดุนยามากเกินไปซึ่งท่านอับดุลโมสลามครับก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ย ลูกสาวของท่านที่ญิงฟาติมะเสียใจเพราะรู้ว่าพ่อจะเสียชีวิตแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ท่านนบีก็ผููเทปฟังบอกว่าลูกเอ๋ยพวกอล้อเนี่ยให้บ่าวเลือกแล้วบ่าวก็ได้เลือกแล้วพวกอล้อให้บ่าวเลือกแล้วบ่าวก็ได้เลือกแล้วลูกสาวท่านนบีสุ ด, ดยอความเฉลียวฉลาด ฟังปุ๊บรู้เพราะที่ิงฟาติมาที่อยู่กับท่านอบีตลอดรักท่านอับดุาก์แท่านอบีก็รักทีญิงฟาติมามากแล้วก็ไม่น่าจะมีลูกสาวคนไหนในโลกที่แบบว่ายอดเยี่ยมกว่าที่หญิงฟาติมาอีกแล้วที่เฟย์ฟังปุ๊บรู้เลยว่าตอนเนี้ยท่านอบีกําลังปอบประโลมท่านหญิงฟาติมาให้รู้บอกว่าตอนนี้นะพงละล็อก เ, เนี่ยให้พ่อเลือกว่าถ้าพ่ออยากได้ดุงยาพงละล็อกก็จะให้พ่อมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อยากได้ความมั่งคั่งในดุงยาพงละล็อกก็จะให อยากได้ในเดีอนรุยาพวงกำลังใกล้กับพวงได้บ่าวี้ที่นี้ก็หมายถึงท่านอับดุลมัสลลัมแล้วบ่าวก็ได้เลือกแล้วก็คือเลือกที่จะกลับไปหาพวงกำลังเป็นการเลือกของคนที่ตลอดชีวิตทุ่มให้กับความหมายของคำ ว, ว่าลาอิลาฮิละลอมาบออสุลลอ์ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ว่ามันพูดง่ายครับ ให้ผมพูดผมก็พูดได้แต่ว่าการที่จะส ก, กัดชีวิตทั้งชีวิตให้อยู่ในประโยคเนี่ยสุบานหรอถ้าไม่ใช่คนที่มีความหนักแน่นเขาไม่มีทางทาได้ว่อาอัครีรัตุค่อยรู้วาอปปะกอครับเรากลับมาดูในสราวตุพาครับหลังจากที่เราวัต ด, ดูพาวาลียซซะจะมาวัฏกาลปุกาวามากเลยวลว ล, ล์อัครีรัตุค่อยรู้เลคามินาลูเล เวลว า, าส่งฟายุติคาร์บูคาคาเตอร์ดอุบานัลอเพาเราบอกว่าไงครับเมื่อถึงเวลาเนี่ยพระผู้ิญาณของเจ้าจะให้เจ้าผู้อาลกําลังอธิบายให้เรารู้ว่าสวรรค์เป็นยังไงให้รู้ว่าความสุขที่มันเกินจินตนาการของเราน่ยมันเป็นไปนไงผู้อากษณ์สรุปได้ง่ายว่าพระผู้ิญาณของเจ้าจะให้เจ้าแล้วเจ้าจะพอใจ สุภาณละความงดงามของกุริานเพราะมันละใช้คําที่น้อยมากแต่มันแปลว่าอะไรครับท่านระบีวัสดลอยสลามบอกว่าไม่มีสิ่งใดที่จะทําให้ลูกหลานของอาดัมรู้จักพอได้นอกจากว่าดินจะกบหน้าเขาคือเขาไม่มีวันพอใจจนกว่าจะตายคือเพราะบอกให้รู้ว่าดุลยยาเราจะได้อะไรแค่ไหนก็ตาม ใครที่มีความผาสุกแค่ไหนก็ตามมันยังไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เขาพอใจจริงๆเขายังมีสิ่งที่มันติดอยู่ในใจอยู่เขายังอยากจะรวยกว่านั้นอยู่เขายังอยากจะมีอะไรที่ดีกว่านั้นอยู่เขายังอยากอยากอยากอยากอยากสารพัดคาว่าพอใจไม่มีในประธานุกรุมของคนในโลกดุนยาไม่มีจริงๆแล้วไม่มีนอกจากผู้ศรัทธาที่เขาทาใจแล้วว่าดุนยาเนี่ยเขาจะมีแค่นี้แหละ เขาก็จะพอใจในแค่นี้แต่ในความพอใจแค่นีเ้เขาก็หวังสิ่งที่ยิ่งกว่านี้ซึ่งพระลอสก็บอกว่าโลกหน้านะสิ่งที่ลอสเตรียมให้กับเจ้าเนี่ยเจ้าจินตนาการไม่ออกเลย ว, ว่าลอสเตรียมอะไรไว้มั่งไม่มีใครจินตนาการออกว่าลอสเตรียมอะไรไว้มั่งแต่พวะเราพูดง่ายๆว่าเจ้าจะพอใจพระเราใช้คําที่วันในดุนยาเราไม่มีทางเจอเพราะฉะนั้นในยักกวาดสั้นๆเนี่ยครับ เวลาเซลฟายุ i ิการรบบูกาฟตัดดอแล้ววีบญาณของเจ้าจะให้เจ้าแล้วแน่นอนเจ้าจะพอใจเพราะนั้นในดุนยาเขอย่าไปหวังความพอใจมันไม่มีทางเป็นไปไม่ได้ที่จะพอใจเป็นไปไม่ได้ที่เราจะพอใจคู่คร อ, องของเราแบบจริงๆที่เราเหมือนจะพอใจได้คือเราทำใจไว้แล้วว่ามันได้แค่นี้แหละถูกหมครับคือเรารู้มันก็ต้องมีดีมันก็ต้องมีเสียเหมือนกับรถเราได้มาแล้วก็รูมันก็มีข้อเสียเพมันอยู่เหมือนกับบ้านแล้วก็รู้มันก็มีขีดจำกัดเรามีพื้นที่แค่นี้ เหมือนเราจะพอใจแต่ความพอใจของเราอยู่ในกรอบของคําว่าทําใจในดุนยาเนี่ยความพอใจทั้งหมดของเรามาอยู่ในกรอบของคําว่าทําใจมันก็เลยพอใจแต่โลอกอ า, อาอาจคือรับพวกองลว่ามันไม่มีกรอบแล้วไม่มีกรอบของคาว่าทําใจเวลาเซลฟยุติกับรบลูกแกฟาตัดดอและแน่นอนพวกองลอจะพุทธบาลของเจ้านั้นจะให้เจ้าแล้วเจ้าจะพอใจ ยังไม่ต้องไปถึงโลกหน้าเอาถึงดุลยาก่อนเอาแค่ดุลยาอายะนี้ครับยังมีความหมายรวมถึงบททดสอบหลายๆบททดสอบของพวงเอล้อที่พวงเอล้อยังประวิงเวลายังไม่ให้ทางออกแก่เราเหมือนกับมุสลิมเวลาที่ติดขัดอะไรก็ตามอนาคตฉันจะเป็นยังไงดีฉันจะไปเรียนอะไรต่อฉันจะทํางานอะไรฉันจะสอบผ่านไหมฉันจะไปแต่งงานกับใครฉันจะมีคู่ครองไหมแล้วก็ขอดูอาแล้วบางคนว่ขอมาเป็น3ปี5ปี10ปีทําไมยังไม่ได้คําตอบ ถ้าเราศรัทธาต่ออลลัษย์สิ่งที่อลลัษย์ให้นั้นเราจะพอใจแน่นอนแล้วบางอย่างพวกอลลัษย์ก็ให้ตั้งแต่ในดุนยาเลยอย่างเช่นลูกที่ว่ากตัญยูต่อพ่อแม่อลลัษย์ตอบแทนเขาตั้งแต่ในดุนยาหรือว่าคนที่ว่าให้สิทธิเพื่อนบ้านคนที่ว่าทําดีกับคนใกล้ตัวคนที่ว่าให้ช่วยเหลือคนขัดสนคนเหล่านี้คือพวกอลลัษย์จะให้ความพอใจแก่เขาตั้งแต่ในดุนยาแล้วมันจะเป็นความพอใจความอบอุ่นที่ว่อยู่ในใจเขาแล้วความพอใจที่ได้ในโลกหน้่ครับ ไม่ใช่แค่ในสวรรค์นะพวกเราเลี้ยงให้สิทธิ์ในการให้ความช่วยเหลือคนที่เรารักด้วยแน่นอนครับสิทธิ์ในการให้ความช่วยเหลือมันอยู่ในกรอบอันนี้อยู่ในกรอบเพราะยังไม่ได้เข้าสวรรค์ถ้าเข้าสวรรค์ไม่มีกรอบอยูแล้วแต่ก่อนเข้าสวรรค์มันมีกรอบอยู่ที่ความพอใจของเราคือไม่ใช่หมายควา่าเราอยากจะช่วยใครก็ช่วยได้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเขาด้วยยัน ที่บอกว่าชาวสวรรค์จะเสียใจย้ําความเสียใจของชาวสวรรค์นี้จะเกิดขึ้นก่อนเข้าสวรรค์ไม่ใช่หลังเข้าสวรรค์แล้วคือพอเข้าสวรรค์ไปปุ๊บความเสียใจนี้จะหายไปแล้วจะมีแต่ความผาสุกจะมีแต่อะไรก็ตามแต่เพียงแต่ว่าก่อนเข้าตอนที่รอแล้วจะเข้านะครับจะเป็นช่วงที่ว่าพวกเราทุกคนอามีนะพวกเราทุกคนจะเสียใจก็คือไปเสียใจหน้าประตูสวรรค์ดี ก, กว่าเสียใจหน้าประตูนรกเห็นด้วยนะครับ เสียใจตอนจะได้เข้าสวรรค์แล้วนั่นแว่ามันน่าจะได้ขึ้นสูงก็เนี่ยอันนี้โอเครับได้แต่ถ้าไปเสียใจหน้าประตูนรกหรือว่าตรงก่อนจะลงนรกแล้วก็บอกถ้าฉันมีความดีฉันคงไม่ลงนรกอันนี้ความเสียใจนี้อย่าให้เกิดกับพวกเราอารมินอารมินนะครับผมพอเราได้กล่าวต่อครับว่าด้วยความเมตตาของพวกเรารอเนี่ยพวกเรารอเปรียบเทียบให้เห็นว่าพค์จะสามารถให้ความสุขกับเราในอาร์เครอได้ยังไงพวกเราก็เปรียบเทียบว่าก็ดูในดุลยาสิพวกเราใกล้ความผาสุกกับเราเยอะแล้ว อาจจะไม่ร้อยแต่มันก็เยอะแล้วใช่ไหมโพล้อพูดให้กับท่านอาบีเป็นการเตือนสติท่านอบเบียร์ย้นเสีามว่าไงครับอาลัมยาจิต์คะยาตีมังฝอาวาไม่ใช่หรือว่ามูฮัมหมัดชีวิตของเจ้ามันยากลําบากมาตั้งแต่ตอนแรกตั้งแต่เป็นเด็กกำพร้าแล้วเด็กกำพร้านี่ส่วนใหญ่คือไม่มีใครดูด âm ดูดีให้ความช่วยเหลือชีวิตก็คือแค่อยู่แบบไม่มีพ่อมันหนักแล้วทั้งใจที่มันมีรูอยู่ในหัวใจทั้งความเศร้าทั้งอะไรก็ตามแต่แล้วจับคน รอบข้างที่ว่าพร้อมที่จะโกงอีกแต่พอแเราก็บอกไงครับไม่ใช่หรือว่าเราพูดว่าเจ้าเป็นอิกกัมพาแล้วเราก็ได้ให้เจ้ามีที่พักพิงความต้องการแรกของมนุษย์คืออาหารและที่พักพิงท่านอนิบราฮิมใสลซามกามพาพ่อแต่ก็มีคนดูแลแล้วก็คนรุมรักด้วยใครก็ตามเลี้ยงท่านอับดุลเบียร์โมฮัมหมัดสลายสลามแม่นมทุกคนแม่เลี้ยงทุกคนที่เลี้ยงอยู่ท่านอบีทุกคนรักท่านหมดเลยเขารับอิสลามหมดเลยแล้วท่านอบีก็รักท่านเหล่านั้นด้วย ว่าจะดากดอนรังฟ้ฮาดาแล้วพวกอลอถก็พบพ่ะเจ้านั้นหลงทางแล้วผมก็ได้ให้ทางนําแก่เจ้าใช่ไหมท่านอบีหลงทางตรงไห น, น, น, นครับท่านอบียร์เมื่อเคยกระไว้รูปปั้นไหมไม่เคยเคยทําความชั่วไหมไม่เคยแล้วทําไมพวกอรรถบอกว่าท่านอบีหลงทางคําว่าหลงทางในที่นี้ก็คือการที่ท่านอับดุลเบียร์มัสลิสลับไม่รู้ว่ารูปแบบที่จะทําให้อัรรถรักจริงๆต้องทํำยังไง จนกระทั่งพู้อัลลอฮ์ประทานรูปแบบที่ทําให้พร้อัลลอฮ์รักให้กับท่านอับดุลเบียสสุลต์สลัมก็คือศาสนาอิสลามส่งให้กับท่านอบีให้รู้ว่าการละหมาดเป็นยังไงให้รู้ว่าการแจกสการเป็นยังไงให้รู้ว่าทํายังไงให้อัลลอฮ์รักเหมือนกับที่ว่าครั้งหนึ่งครับตอนที่ว่าก่อนจะเกิดช่วงสงครามข้าสึกกำลังจะยกทัพมาแล้วท่านอับดุลเบียสสุลต์สลัมท่านนั่งอยู่กับพื้นแล้วท่านก็พูดออกมาเป็นก่อน กำลังจะเกิดสงคารามแล้วนะกลังจะเกิดสงคารามแล้วปกติคนจะคิดถึงอะไรบ้างครับชีวิตที่ผ่านมาในอดีตลูกหลานที่รออยู่ครอบครัวที่เราอยู่ที่บ้านฉันจะตายไหมจะรอดไหมค่าสึกใาะอะไรยังไงสิ่งที่ท่านาบีมสอสโลยสลามพูดท่านบีพูดออกมากดังว่าว่ลรอฮิเรา ล, ลลอฮิมาแต่ได้เนะ ว่ نا, ว نا, نا, ววว ن ن ามาตดสอบเราว่ามาสั่งลนเาฟ้อนซิลันสกีนตัน علينا وثبت อ ل أ ق د ا م إلا قينا والعدو قد بغوا علينا وين أرادوا في نتن أ ب ا นักมากระศาลาอวยสลัมท่านอับดุลสัมได้พูดออกมาครับว่าขอสาบานต่อแล้วจะทาสุครามแล้วนะขอสาบานต่อแลหากไม่ใช่เพราะพระองค์เราคงไม่ได้รับธรรนํา ก็คือก็คงอยู่เหมือนกับคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรกลบาวว่สิ่งที่เขาสร้างเองกับมืออยู่ในอบายามุกลุ่มหลงกับอารมณ์ในกามอารมณ์ในแล้วก็ตามแต่แต่เมื่อเราบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดปุ๊บถ้าไม่ใช่พ่อพระงเราคงไม่ได้ทางนลลํ า, าวันลอที่เรเราลอหิมะแต่ไดนาวมาต่ซัดนักนาวมาสันไลนาแล้วเราก็คงไม่ได้รู้การที่จะบริจาคแล้วเราก็ไม่ได้รู้การที่จะละหมาดสุบานอเ ล, ลาะท่านนบีเริ่มเรื่อกับคําว่าการที่บริจาคเพราะท่านนบีรักกันให้ จะไม่มีใครรู้ความสุขของการมีทรัพย์สินนอกจากผู้ที่สามารถใช้มันไปเพื่อร้อยได้เท่านั้นเราถึงจะรู้คุณค่าของมันเพราะว่าการสูญเสียเงินเราเอาไปใช้เพื่ออัลลอ์เนี่ยประการแรกมันเป็นการสูญใจเพราะใจเรามันจะรู้สึกยึดติดกับทรัพย์สินใช่มอิสลามสอนว่าถ้าหากอยากรู้ว่าควรรู้สึกยังไงกับทรัพย์สินให้คุณเอาทรัพย์สินส่วนหนึ่งนะไปบริจาคให้กับผู้ยากไร้ ผมไม่ได้บอกว่าไม่ให้อีมาไม่ให้ครูสอนไม่ใช่เลยไม่เกี่ยวนะให้กับคนยากไร้แล้วการที่เราเสียสลาเงินตรงนั้นเนี่ยครับผมคิดว่าหลายท่านเคยแล้วแหละความรู้สึกเป็นยังไงครับมันรู้สึกดีถูกไหมครับมันเสียเงินก็จริงนับซูเนี่ยใจใจใฝ่ต่ําลึกๆเนี่ยมันมันรู้สึกแย่ตังฉันหายไปอีกร้อยตังหายไปอีกห้าร้อยอีกพันอีกเท่าไหร่ไม่รู้แหละอีกมื่อนอีกแสนมันรู้สึกแย่ แต่สิ่งที่ได้กลับมามันยิ่งกว่านั้นมันยิ่งกว่านั้นเยอะเลยซึ่งท่านระบีก็บอกว่าถ้าไม่ใช่พ่ออัลละฮ์เราก็คงไม่ได้เรียนรู้การใสยสกัดเราก็คงไม่ได้เรียนรู้การละหมาดเพราะสิ่งที่ทําให้ท่านระบีมีความสุขแล้วสงบที่สุดคืออะไรครับการละหมาดโอ้ทําไปได้ยังไงคือการละหมาดปกติแล้วจะทําให้เราสงบก็ต่อเมื่อเราเดือดร้อน ใช่ไหมครับเดืยดร้อนก่อนแล้วถึงละหมาดใจถึงจะสงบเดี๋ยวเราประจานกันก่อนนะ นะครับผม <c oughs> แล้วมาต่อในคำพูดที่านบิวสันพูดไว้ก็คือว่าล้อยที่เราลออมาะได้แน่วมาต่สดได้แน่วมาสเล่เน่าฟานซีรันสกีนะแต่ไนเลยนะหลังจากที่องค์ร้อนได้ขอบคุณพงศ์หลังจากที่านบิวสันได้ขอบคุณพงศ์องออันนี้คือเป็นคำสอนเป็นแบบอย่างให้กับมุสิมทุกคนเลาที่เราเดือดร้อนใช่ไหมครับแล้วอยากจะขอดูาจากอลคออย่าได้ลืมความเมตตาที่อลอนมีให้กับเราก็คืออย่าเพิ่งรีบขอว่า AH ร้อเนี่ยกลังเดือดร้อน แต่ให้ขอบคุณพ่ออัลลอฮ์ก่อนนี่คือมาเรียกในการขออวยเหมือนกับท่านเบีเาสายสไซดามขอบคุณพ่ออัลลอฮ์ก่อนตอนนี้จะเกิดสงครามแล้วแต่ท่านบีขอบคุณพระองค์ก่อนถ้าไม่ใช่พร่อองค์เราคงไม่ได้ทำสิ่งที่ดีงามฟาอันจีรันสกีนัตันไอรีนาท่านบีถึงเริ่มมาขออวบอกว่าไงครับอัลลอฮ์โปรดให้ความสงบเกิดขึ้นในใจของเราว่าอุดุกอัลบาอัลไอรีนาไวนาราดูฟินัตันไอรีนาซึ่ง ศตุศัตรูค่าศึกที่บุกมาเนี่ยเขาต้องการที่จะให้เรานั้นละทิ้งศาสนาของเราวายินอเราดูฟินตตันอบเบนาซึ่งหากสิ่งที่เขาต้องการคือการให้เราละทิ้งศาสนาของเราเราก็ขอปฏิเสธแล้วก็ขอไปเสด็จนี่คือดุอาที่ท่านมิซิรมขอก่อนที่จะเริ่มประจันบานก่อนที่จะเริ่มประจันบานก็แปลว่าท่านอบีไม่ได้ต้องการลาบยศสนเสริญไม่ต้องการทรัพย์สินไมไ่ต้องการอำนาจไม่ได้ใครมายกยอ่อ ท่านก็คือต้องการอยากจะเป็นมุสลิมแต่เมื่อมีศัตรูบุกมามันก็ต้องปกป้องมันก็ต้องปกป้องครับอายะต่อมาครับวาวาจะดกัดอนลังฟาได้วาวาจเดกากายังฟ้าอักน่ล้วพวก็ได้พบว่าเจ้านั้นเป็นคนที่ขัดสนเหมือนพวกเราทุกคนครับขัดสนฟอ้อกน่แล้วพวก็ได้ทําให้เจ้านั้นมั่งมีถามว่าท่านอับดุลเลาะัยเป็นคนรวยหรือเป็นคนจนครับ ในอายักุรันพวกเราบอกพวกทําให้ท่านอเบียรวยแปลว่าอะไรครับคําว่ากีนาในที่เนี่ยอารกเนาถ้าแปลตรงตัวมันแปลว่าทําให้รู้จักพอทําให้รู้จักพอทําให้รู้จักพอหรือทําให้รู้สึกพอได้ทั้งคู่ทําให้รู้สึกพอหรือทําให้รู้จักพอ ก็คือคนเราเวลาเดือดร้อนปุ๊บมันก็ต้องได้ความช่วยเหลือระดับหนึ่งแต่เมื่อถึงระดับที่ว่ามันโอเคแล้วหลังจากนั้นก็คือเป็นสิ่งที่ว่าต้องอดทนแล้วเหมือนกับท่านบีมัสลลอยสลัมท่านเลือกแล้วท่านก็ขอดูอาในสิ่งที่ผมไม่ส่งเสริมไม่ใครขอดูอาเหมือนนบีบทนี้เฉพาะบทนี้นะเราตามท่านนบีในสิ่งที่เราทําได้แต่ดูอาบทนี้ผมมองว่าหนักไปสําหรับคนประชาชาตินี้ท่านนบีมัสลส ล, สลอยสลัมขอดูอาจากเลา ว, ว่าอุลลาะโปรดให้ฉัน อยู่ในสภาพของคนจนตายในสภาพของคนจนโอ้เป็นดุอาที่ดีไม่ดีไหมดีมากเลยครับแต่มันน่าจะหนักไปสําหรับพวกเราหลายๆคนมันต้องใช้การเตรียมใจชั้นเลิร์แล้วการที่ท่านบีวัฒนธรรมขอดอดอลต์บทนี้ไม่ใช่หมายความว่าท่านบีจะเป็นคนขี้เกียจจะเลิกทํางานหรือว่าจะกออะไรขี้ ค, คิดไม่ใช่เลยท่านทําเต็มที่แต่ได้มาปุ๊บจ่ายหมดเลยนั่นคือサラวาตุลอยอะไรย่าเงี้ จะมีมัสสลลัมของอะไรมิซซาลัมของพวกเราซึ่งใจท่านใหญ่ขนาดนี้นะครับอัลลอฮ์ก็ได้รักท่านเราใจไม่ใหญ่เหมือนท่านแต่เราเป็นประชาชนของท่านแล้วท่านก็รักเราเมื่อท่านรักเราท่านก็จะพยายามขอให้อลัลลอฮ์รักเราเหมือนกับที่พระองค์รักท่านอัลฮัมเบลละเราเป็นประชาชนที่น่าอิจฉาสุดแล้วครับเราอยู่เกิดมาในอุมม่าที่ ศาสนาทูตประเสริฐที่สุดในบรรดามนุษย์ทั้งหมดที่องค์รัชสร้างมาแล้ในรับบทบัญญัติที่ดีที่สุดอยู่ในยุคสมัยที่หนักหน่อยแต่ทุกอย่างดีหมดแล้วก็เหลือบททดสอบผ่านไปได้ชาวเนาะครับพวขนักี่กาวต่อครับว่าฟามาเลียติมาเฟลาต้ก็ฮัทวามัสไซลาเฟลาตันฮัผมขอไปเร็วๆแล้วนะครับผมในขณะที่เด็กกําพร้าถ้าเกิดเจอเด็กกาพร้าเนี่ยอย่าไปไล่กระเพิดเขาถ้าเกิดตั้งแต่นี้นะครับจะเจอเด็กกำพร้าอย่างร้ายที่สุดก็คือให้กําลังใจ ช่วยได้สับสินไม่ได้อย่างน้อยก็รูปหัวเอามากอดเอามาอะไรอย่างน้อยก็เป็นกําลังใจให้กับเขาจริงอยู่มันไม่ช่วยให้เขาอิ่มแต่อย่างน้อยมันก็น่าจะทําให้เขามีความรู้สึกดีๆหน่อยวามัสซาอิลัฟลาตันฮัทเวลามีคนมาขอนะครับบางทีเราก็รีบตัดสินไปก่อนนี่มันชั่วแน่มันเป็นคนไม่ดีแน่อย่าไปตัดสินเขาเขาอาจจะดีเขาอาจจะไม่ดีเอาล่ะท่านที่รู้ถ้าเราไม่มีความสามารถจะช่วยเขาได้เราก็พูดดีๆกับเขาไป พวกเราบอกเขารู้มาเรารู้ฟูว่ามักฟิล์ตุนใครรู้มิสระกติยะแต่บอกให้อดั้งคำพูดดีๆเนะี่ยการขอให้รู้ต่อร้อนเนี่ยดีกว่าการบริจาคทานที่บริจาคเสร็จแล้วไปทิ่มแทงให้เขาต้องเจ็บใจเนี่ยมาขอเนี่ยแล้ววันหลังมาต้องมาขอเนี่ยมูสุคนวันหมูจะไปทํางานทําการถ้าอยากให้เขาทํางานแล้วก็เตือนเขาได้แต่ไม่ใช่ดา่าแยกให้ออกบางคนเอามารวมการหวังดีกับการอยากดา่า เอามารวมกันเฉดลดดามไปเลยแล้วกันไอคนฟังใจเขาก็เมลับเลือกรูปแบบดีนิดนึงเพราะฉะนั้นเวลาคนมาขอถ้าเราดูปุ๊บเห็นโหนงไม่น่าจะมาดีอะไรก็อย่าไปตะเพิดอย่าไปไล่ก็คือพูดในรูปแบบที่ดีที่สุดก็คือขอโทษนะเฉดให้ไม่ได้ก็ให้ไม่ได้ก็บอกให้ไม่ได้ไม่ต้องไปบอกว่าฉันไม่มีตังค์แต่มีตังค์อยู่ในกระเป๋าเขาเรียกว่าโกหกไม่ให้ก็คือไม่ให้ก็บอกตรงตรงเขาพูซิมเราไปไออะไรก็บอกตรงตเองขอโทษนะเฉดให้ไม่ได้ คุณไปขอกับคนอื่นก่อนนะขอร้อยให้ความง่ายใจกับคุณห้ามโกหกครับเพราะปัจจุบันนี้บางทีเหมือนอยากโกหกกับตัวรอดพี่ก็วาสร็จมัมีตังคนะ์้งเี๋ยเีกระเป๋าเดวมีร้อเดียวเดี๋ยวต้องไปซื้ออย่างกัะหูเสร็จปุ๊บไปนั่งเข้าสตาบารกินเอาตังค์ที่เดีซื้อก็ไม่รู้นะครับวะอัล ม, มาบีเนียมันจะรบับไปกาาับฮะดิษอายะที่1ิบเอพ่อบบอกว่าความปวด ป, ปานของยุบานของเจ้านั้นเจ้าจงพูดกันให้มากการพูดถึงความปวดปานของอัลลอฮ์นั้น คือการทำยังไงอายะกราห์ห้ายอยกางนี้ก็คัญฺฺฺฺตามดีๆฺฺฺฺฺฺฺที่มันฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺมฺมฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺอมมาาฺอฺอฺฺฺฺฺฺฺฺฺความสามารถของฉัน โอ้คุณอย่างมารวยแต่อย่างมาดีแต่อย่างมาลูกล่หน้าฮัากอย่างมากกิจการงานดีอัไรทำดีล่าไว้ก่อนอันนี้คือการฟาัดิสพูดถึงความปวดปานของล้อให้รู้ว่ามันไม่ใช่ความสามารถชันฉันแค่พยายามนิดนึงแต่พเพราะล้ให้ความสาเร็จทั้งหมดแก่ฉันอันนี้คืออันแรกการพูดถึงความโปวดปานของอล้อคือขอบคุณพวกล้อในทุกๆอย่างที่เราได้รับแล้วมีคนมาชมหรือยังไม่มีคนชมแต่ที่เราได้รับอย่าเพิ่งไปเหลืงว่ามาจากความสามารถมาจากความกล้าของเราอันที่สองครับผม เอาสิ่งดีๆที่เอาล้อให้กับเราเนี่ยไปแบ่งให้กับคนอื่นด้วยอย่างเช่นถ้าเกิดแล้วว่าเรามีครอบครัวก็อย่าตารนีกับครอบครัวกับเราเมื่อเกินไปอันไหนที่มันจําเป็นต้องใช้เพื่อเอาล้อก็ใช้ไปอันไหนที่มันไม่ควรใช้ก็ไม่ต้องใช้อันนี้คือการน้ำนึกถึงความเมตตาของเราในสิ่งที่เราให้ใช้ให้เป็นอย่าไปขี้เหนียวเกินไปและอย่าไปสุดริสไรเกินไปส่วนอันสุดท้ายครับไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ห้ามลืม การขอบคุณอัลลอฮ์เด็ดขาดอันนี้คือความหมายว่าฟ่ามาร์บิเนะมัติรับปิกาฟาฮดิสไม่ว่าจะสุขแค่ไหนก็ตามหรือจะทุกข์แค่ไหนก็ตามเดือดร้อนแค่ไหนก็ตามเจ็บป่วยแค่ไหนก็ตามการธุรกิจอาจจะมีปัญหาแค่ไหนจะมีอะไรยังไงแค่ไหนก็ตาม ห้ามลืมการขอบคุณพวก Allah, พอัลลอฮ์เพราะชีวิตที่เรายังมีอยู่ได้นั้นมาจากความเมตตาของพวกนี่คือว่าฟาร ม, มาบินีมันจะริ่มเป็กาวติสครับวันนี้พูดอะไรกระทบกระเทือนใครไปบ้างก็ขอมาฟด้วยนะครับแล้วก็ขอา้องเมตตาพวกเราขอให้กุรอานเนี่ยเป็นยารักษาเยียวยาจิตใจของเราให้ทางนำแก่เราแล้วก็ทำให้เรานั้น อยู่ภายใต้พวงบ่าที่พวงรักและก็พอใจพร้อมกับคนที่เรารักและคนที่เรารักเขาด้วยเถออิดอาเมนครับอะกูุกลีฮาซักลุนลอฮะลิบลุคุบริษาุสลีมีนมิลกุลเัสสัฟิูอินฮุวะกฟารฮิมซุบฮักอัลลอฮมะบฮัมดิะอชาดลลาอิลานะอักกะตุวะสัลมุอะลัยคุมวะรุลลอฮวบรกตุ